เจตนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการกระทำกรรมดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ก็คือตัวเจตนาที่แฝงอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆนั่นเองบางครั้งบุคคลอาจมีเจตนาดีมากแต่การกระทำที่แสดงออกมาอาจมีผลน้อยไม่สมดุลกับเหตุภายในก็ได้และในบางครั้ง บุคคลอาจมีเจตนาที่เลวแฝงอยู่เบื้องหลังแต่การกระทําของเขากลับก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามก็ได้ตัวอย่างเช่นบุคคลบางคนสามารถอุทิศเงินเป็นจำนวนมากให้แก่การกุศลเพียงเพื่อโฆษณาตนเองคือเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักชื่อเสียงจะได้มีผู้คนนิยมนับถือและมีหน้ามีตาขึ้นจริงอยู่ จำนวนเงินที่บริจาคไปเป็นจำนวนมากนั้นอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนที่ได้รับเหมือนกันแต่เจตนาอันแฝงอยู่เบื้องหลังการบริจาคนั้นยังไม่ได้เป็นคุณในประโยชน์แก่จิตใจของเขาอย่างแท้จริงคือยังไม่ได้ทำให้จิตใจของเขาปราณีตหรือสูงส่งขึ้นตามส่วนที่ควรจะเป็นในทางตรงกันข้ามหากบุคคลผู้เดียวกันนี้จะพึงกระทาการบริจาคแม้เพียงจานวนเล็กน้อย แกบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบากและกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งด้วยเจตนาเพียงเพื่อต้องการจะให้เป็นเครื่องอำนวยปะโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันและโดยไม่เอาใจใส่ว่าจะต้องมีใครเห็นหรือใครรู้หรือสรรเสริญในการกระทำของตนเช่นนี้แล้วการบริจาคของเขาจะมีผลยังมากมายเพราะเป็นการกระทาไปโดยไม่ได้มุ่งหวังการโอ้อวดตนแต่อย่างใด ดังนั้นขอให้ท่านผู้อา่านระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวเจตนานั่นเองผลแห่งการกระทำความดีที่จะตอบแทนให้มากที่สุดก็คือผลแห่งการกระทาที่ไม่ได้มุ่งหวังการโฆษณาหรือได้รับเสียงสรรเสริญ เ, เยือนยอบุคคลที่ได้ผ่านเข้าสู่โลกทิพนี้เป็นจํานวนไม่น้อยต้องรู้สึกอศัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง ที่การกระทําความดีแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งบางทีตนเองก็ลืมไปเสียสนิทแล้วนั้นกลับเป็นผลดีต่อจิตใจของตอนเองตอนนี้อย่างชนิดที่นึกฝันไม่ถึงที่เดียวว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นแต่นั่นแหละในโลกทีมนี้เรามองดูทุกสิ่งทุกอย่างกันคนละทัศนะกับชาวโลกมนุษย์คือเรามองดูสาเหตุอันแท้จริงที่แฝงอยู่เบื้องหลังฉากมากกว่า ที่จะมองกันเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าฉากเท่านั้นด้วยเหตุดังกล่าวมาท่านคงจะเห็นความจริงได้ประการหนึ่งแล้วว่าไม่มีความจำเป็นอย่างไรที่ผู้อื่นจะต้องมาคอยพิพากษาโทษเราก็ใครเล่าจะสามารถพิพากษาโทษเราได้โดยถูกต้องกว่าโดยเที่ยงตรงกว่าและโดยมีประสิทธิภาพกว่าจิตใจของเราเองสภาวะของโลกทิพย์ที่เราได้เข้าถึง หลังจากมรณกรรมของกายเนื้อแล้วนั่นแหละคือผลแห่งการพิภากษาอันเกิดจากกรรมในหนหลังของเราเองดังนั้นการที่เราจะได้เข้ามาสู่แดนแห่งความมืดคืออบายภูมิหรือแดนแห่งความสว่างคือสุคติภูมินั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องโทษตนเองหรือขอบใจตนเองตามแต่กรณี